ก็ควาไ้เนี่ยมั่นใจตัวมึงมากลงงู้มึงเ่งลยตรงนี้ตอให้มึงได้ศาสตราจารย์บลอกเกอร์แม่แค่มึงดาจจอกก็ได้ถึงเปาเียสาแม่แค่หางอื่นนี่จะเรื่องหางค้่าไหมแม่ทะเลด้ยยังไม่เคยโดดลงมาตรงนี้เลยอย่าพ่งนิ่ลอสนุกอย่าประมาทถ้าคุณเป็นคนไม่เชื่อกดเป็นกรรมไม่เชื่อศาสนาเลยผถือว่าคุณเป็นนักลงทุนที่โคตรโง่เลยผเรียกว่าคุณไม่พคตรไรไอ้พวกแมงเมา คนอย่างมึงไม่เยอะหุ้นกูรวยเสมอเลยเดี๋ยวกูปั่นขึ้นครับเดี๋ยวพวกมึงแม่แข่ตามแทงกันนี้ละจ้ะพวกมึงเป็นคนไม่เกิด i n f อ r m a ชั o นมึงเป็นคนไม่เจาะเรื่อทธุรกิจใช่ครับมันเหมือนเล่นหึ้นมู้วก่อนแทงหุ้นต้องศึกาไหมครับีคนงงงงประเทศไม่อ่านขุ้นนะจะแม่แข่ตามให้กูปั่นขึ้นให้พวกมึงรวยะุ่มนี้เพราะว่ามึงยัคคนที่ไม่น่าเชื่อถือเาเรียกว่า unreliable source ใช่ไ อันรีไลน์เอเบลโนเลสตหลักของโนเลสโนเลสนคุณจะต้องทำการเลืความรู้จากบุคคลซึ่งมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับคุณเชื่อใครอ่ะคุณเชื่อล่กพี่ลม่น้คุณี่สอนคุณแดกเล่าคุณเชื่อพวกมันเหนอเนี่ยเา่คุณเชื่อเพื่อการเหนออะไรที่แม่ไม่เคยสอนธรรมะให้คุณหรอคุณเชื่อเหรอพวกมันในตัวไม่รอเลยเพราะว่าเชื่อได้ไง ก็ต้อง try ก็ต้องลองลองูเวลาไห้พวกซอฟผมมาติ้งกันไหนรู้ะไอสตแม่งก่อนตายบอว่าเป็นฟุตเนียผมสะอึกเลยอยู่นาซาตอนนั้นไอชัดชอเฮ้ยไอสตล์แม่งเชงเว้ยต่อมาอ่านโมัสสันาไอดสันไอ้าเขาแม่งะย้ายเป็นฟุตต่อมาที่นาซาเหรม่นั่งทำมาหานงนเลยเว้ยยเก็รอนนลนยเย้อะไราาสนาุแม่งกัเริ่มมาใหม่นกาเป็น ที่มเล่าเรื่องนึงเองแม่เวทีเทีย น, นกับข น, นเาเในนาซากะตอโอ้ไอ้้าระหว่างแม่มาศึกษาอะไรยางดังนั้นเพื่อับความเสี่ย ง, ยงแล้วทำไมครับจากศาสนาเอตั้งไหมวลองบุกทีหนึนะ่งใช่ป่ะลองเอามึงดูนะถ้าคุณเดินทางในยา น, นอว ก, กาศนี่คือวิธีที่เด็นาซานนะคุณเดินทางในยา น, นอว ก, กาศปรากฏว่าแบตเตอรี่หมดทุกอย่างหมดเลยพวกเราอยู่ยานแบบนี้คือคาเลยครับ ให้สมองเราชื่อชีวิตทำไงดูถึงวันนี้ไงใ้พวกเขเดูอ๋อดวงจกนริดใช่ไหมพวกตก็ข้อมูลทั้งหมดพร้อมกันนะญาติโยมทั้งหลายทำไมครับตาทับซ้ายแล้วมึงจะส่งันยานหายในลึกเลยแต่ตอนคุณหายไปใลึกเลยเม็ตาเบลอสุดคุณต่ำลงหมดเลยคุณสามารถอดอาหารได้สามวันเจวันมแงแค่สีชั่วโมงก็จิวหายนะ เราไปแตบไัยานองคู่กับนเลยเ่อย่างนี้เดินทุ่งสามวันไม่ต้องแดกก็ได้เท่า่เมื่อตารเรสูงงต่าทุกีไม่อการเรียต่ำลงต่ำะที่การเรียนต่ำปับคุณสูงเรอใครครับเลเวที่ถูกต้องใช่ครับคุณจะไ้มีขอร์พครคุณว่าติดอยู่หลังดาวอันาร์นติรีสี่สบแปดมารับดวน จะสามารถงสภาพนี้อยู่ได้อีก่เกินเดือนหัราะมึงก็ส่อเลยไม่มีนาฬาที่อย่างนี้เว้ยแต่ไอมาศึกษาทงพุทธแล้วนะสุดท้ายจะมีพวกเทวดาพวกอะไรเขาปล่อยเขาไม่ปลอให้คนดีๆอย่างมึงตายหรอกเดาเขาก็ใช้มือถือส่งเงินแปบเขาเร็วว่านุ่นั่งเองอีกหลยางึงบุญไปเยเทวดาเขามารวบงด้วย เ็สิ่งที่คุณมองไม่เห็นมาเขาอยู่ในมิตินึ่ทุกก็มีจริงบางคนพยายปฏิเสธเรื่องเทวดาเรื่องอย่างเงี้ยเ้องกลัว้คุณทุ้านแต่ถามีจริงไหมมีพุจะเจ้าอย่ผู้เปเทวดาตลอดนี่ยเไปดิผู้เปอเทวดาตลอดเทวดามาฟังคำตลอดแล้วคุณสึกไว้สักพันึงนะเดี๋ยวมาอยู่ผมสักพันึ่งอาจจะเจอสัมผัสในแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวคุณก็จะเจอคุณจะร้องาีพมีว่า พูดริงๆองเจอปจอระจับเจอนผมเคยฝึกสมาธิแล้วก็หลวงปู่จันทาท่านก็สั่งว่าเจอนางฟ้าแล้วอยากั้มไมก่อนจะชูนะมา เ, เจอเจ้าฟ้านางฟ้ามันจะสวยจริงจะเข้าไปี่อย่างนี้หรอเยังหลวงปู่สั่งว่าห้ามเด็ดขาดอยู่มาวันนึงเขาก็ปรากฏกายขึ้นมาจริงๆแม่งสวยจังเลยแตจิตเราแค่คิดเ่านั้นเองเขาคิดได้ก่อนเราเขาหายเวกว่าเราแค่เราคิดรับก็โดดใสใสเนี่ยนะเขาคิดได้ก่อนเรา แล้วเขาก็บอกผมว่ายายเองยายยายเขาพูดแม่อแม่กูเข้าใจงีชายไหแม่เกดแหลยกูยายสวยๆหรือเล่ากูม่รู้เลยแต่ยังมันมันเป็นอย่างี้สนุกเยร่เรื่องเ่าสำหรับโจ๊กๆกันนยายเากัดูแลเราอยู่อ๋อเป็นยังสั้นแล้วก็ท่หนหลวงปู่เข้ามา ไ ม, ม่ไม่โอเคตัว <c oughs> แล้วตัวบอกแล้วไอ้ไอ้ควาหน้าตัวอย่างของพวกเราอย่างนีง้คือผู้คุณเรียนทางวิทยาศาสตร์มากเกินีไยคุณถูกวอไปทางด้านช่างด้านเลยยิ่งคุณเรียนสายช่างนีงน่มากของสารเนี่ยเลยคนที่เรียนช่างลยโดยตันา์แล้วแม่เกี็บกา ร, ารอ่านหนังสือสมาธิแม่ไม่มากพอที่จะอ่านแมนนวลใช่ไหมคนอย่างแม่ ภาษาอังกฤษแม่จะข่วยช่างเนี่น ส, ส่วนใหญ่ชอบลงดูปฏิบัติซ่อมอาศัยความหน้าด้านทํำพังไวเยอะไม่ก็ได้เป็นช่างของบริษทัทใช่ไว่าแต่พอถามผู้แม่งว่าทําไมเครื่องจัดพังแม่ก็บอกใช้งานมานานทําไมซีลพังใช้งานมานานทําไมตะเก็นพังใช้งานมานานวิธีแก้เปลี่ยนอะไรลแต่ควายคุก็ทํ อ, ทย อ, อ, ย 1, อย่างได้ใช่ไหมว่านี่ผือช่างข่วยเลยแ้วอยู่เลเวลหนึ่งนั่นเองขอเป็นใส่เป็นถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนอะไรได้อ and ือายเลย้าบอกว่าเคนทั้งประเทศรัฐบาลัสยน็เป็นไปไม่ได้เปไปไม่ได้มไม่ได้สมมตเลยไม่ได้สมม็นไปไม่ได้แน่เสีเวลาสมมติตัแรกของ costability เป็นไปไม่ได้กิเลสกิเลสมันแรงมากแล้ก็มีคนอย่าง มันจะมีคนคนนี้ที่คิดอย่างนี้รับองอย่างคไม่มีใครมาเท่าไหร่กากมากเลยสในับในเส้นวัวน้วกมึงยังมาเป็นสัวรเปล่าไงเาิเป็นไปไม่ได้กิเลสนเยอะจนมึงทนไม่ได้มึงเห็นมือถือรุ่นใหม่นะมึงวะเทือนมือเงินเดือนทั้งหมดซื้อมือถือตัวใหม่ไร้ควายไ้ายแม่งคิดแค่นี้ยอ่และกตัวเกอมึงใช้ไม่หมดเลยนะ ตัวใหม่โซนี่ตัวเล็กนิดเดียวมึงยอมชิปหายตายซ่ตเพืมาซื้อตัวใหม่มึงมัดห้ามใจมึงไม่เป็นไงใจมึงอ่อนมึงไออ่อนอะไรวะเห็นก็แดกแดกกันมึงแดกแดกไม่สือมึงซนไม่ได้แม่เสียศักดิ์ศรีมึงก็ต้องชิปหายเงินเือนหมดเพื่อไปแดกแดกของมันได้ยังวิธีคิดของมึงรวยวิธีคิดของมึไม่สามารถจัดพีออริตี้จัดจัดวิธีความคิดใหม่นี่ nell, คนเป็นช et er you ่างเลยน่ากลัวมากแม่ไม่รับการอ่านพอไม่รักการอ่านแม่ก็ใส่คุยกัน แล้แ่แล้วคนใจอ่อนอย่างแม่เนี่ยหาความสุขไม่เจอแม่แดกเข้าจนรู้ว่าการแดกเล่าทำใหมีความสุสันทานช่างสุดท้ายแม่ไม่อ่านหนังสือแม่โน่นก็ไม่อ่านแล้วแม่กระด้งชิบหายสุดท้ายก็เข้ามาทำงานบริษัทแม่กระด้งตะไม่ได้แยกบริษัทออกเป็นบริษัทสีส้มมือถูกไหมแต่พี่แม่รวมตัวเองแม่กยะดสุดมล้ไปานี้คิ่แล้วแม่กลาออกเดือนละสามคนมึงเข้าใจยังทํางแมหมัวแม่ก็ไป เรื่องแดดเตงอะไรเรื่องี้ไม่นับเลเนี่ยแม่งตัวเตลึงเลยช่างเนี่ยแดกอะไรยันจิบไฟให้ยั่งวิธีชทุกวันอ่ะรถสว่านแม่งไม่มีแล้วแล้วคนอย่างมันเนี่ยเช่ามาพ่อแม่ด่ามันตั้แต่เล็กมัะใครแสวมิ่แม่งไปมันด่าหมดมันคือมันเสืึงมในตัวอแม่ทึ่่าไม่ค่อยดีไอคิดดูนะโอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยนั่งตรงนี้นะใครกระชั้นนะถุงนะตอนเล็กเนี่ยสังกิจแม่งเอาวยคอาพวงกิตกระดาษเลหวกดิจหวยภาษาไทยแม่งเอาหวย ดูแบบไทยไว่าไงครับไอเลวภาษาไทยห่วยถูกพริสตานแม่งก็ห่วยแน่งก็เลยห่วยหมดเลยแต่ไม่เก่งใหญ่เลวก็คือมันมีอของพังทั้งบ้านม่รู้ของบังทั้งบ้านมันมีความกล้าแค่นั้นเองมันมีความกล้าที่จะรู้แล้วไปถึงใส่ดืม่มข้งองข้างก็ไม่จำได้ละได้รายการเอ็กซ์เตร์ของนั่นช่างถือว่าหังสูน้หาแม่งก็ไมยอ่านตอนนั้นแม่งสอบเป็นฐานแม่งก็เลยไม่ติดเพราไม่ติดครับโรงเรียนไหนรับ่งง่ายสุดแม่งเรียนช่างคน คนเชียงกวน็ไม่คุมอนไม่ได้ต้นสูงยกพวกตีกันจึไปด้วยไหมแม่งอาตีใข้าด้วยแดดเล่าไหมแม่แดดเพเลยครับเพราะอแม่สอนคาสอนของพ่อแม่แม่งตีความเป็นด่าแต่ถ้าเพื่อนพูดือว่าอะไรครับแม่งถือเป็นคี่ของมันเนี่ยถ้าเพื่อนพูดนค่ยยนพี่พูดเช่นเอ้ยตบปากกานี่้เนี่ยพ่แม่ไปที่แม่ชนเศรษฐีาประจาพี่เศรษฐีาระจ่าโาณเราตั้นรักมึงสามารถตบปากกาคนคิด ตักตออได้โอเควงการเราต้อนรับเย่มันใส่เพลงเดฟเย่มันใส่มอดตอบอ่าใส่เดฟเย่ใช่ย่ะมึไปล่อสาวพายนี่ได้เอ้เย่คู่ชั่วมันตอบมึงกันไงคนดีคือพ่อแม่มันสอนอยาามาสอนอย่ามาสอนใช่ยังไปแล้วไอออมเนี่ยไปแล้วถูกลงหางานทำไม่ได้ใส่หน้าด้านหนงเดียวถูกมแ่กมเป็นช่างมาเป็นช่างปับแม่ แนน่นหานมาไม่เคยอ่านถูกไ่มพยายามว่าทำไรแดกเรลาเข้าเพื่อนเหนื่อยแล้วเจอชีวิตนี้แล้วไม่เคยถึงว่าไอ้ขวดโง่ๆเท่าเ่ิมโดนท้อร้อนสุด่ะเช็คแรดติ้งมีใครเห็นรู้ไหมเคแนไม่เอาเล้าโง่ๆไม่สร้างให้คนเห็นทั้งร้านตุ่มแล้วก็สตาดาหลงแข็งีรีนเอน้ารถเข็จไปหมดแล้วชิปเล่นมันโง่ไม่เรื่องอเี้ย ถ้าคที่ชนก็ที่ว่อตัวัชนเ่แม่มันก็เลยออกจากง้อไม่ได้สักทีม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ได้เงียถึงเฉยคนนึงใช่ไมเียที่เท่มินซดาให้คายกับความันจะักกันองนี้มันก็อยู่เป็นคเตอร์เี้ยพอพ่อแม่มาเตือนเอยอย่าแดกล้าเนะยัทงานโตแล้วแม่เไปไอ้คนต้องห่วงหลับคนทนนี้แม่ป่ วันี้กี่คนแม่แงแหวกงร้อยลงไปที่แาาม่คุณสอนจำเลยว่าต้องทาตัวเหมือนกลาที่แนงควนกระแสนี่คือคุณตามกรแะแสเนี่ยคำถามเลยก็เพื่อน ว, <c oughs> ว่าเพื่อนว่าไอออนนะเพื่อนว่าพ่อแม่ว่าอือย่อเถียว <c oughs> <th ew> <th ew> ที่ผายแล้วเพื่อนว่าโอเคชี่คือปัญหาตัวปลาตรงนี้ที่สวเมื่อกี้คืออะไรรู้ไหมพ่อแม่แบบชูไม่มีปียาวาจามึงไปเช่อชูเด็กเรียนเก่ง สมมติสามคนพี่น้องอย่างนี้นะถ้ามึงคนัตเรียนเก่งมากอภัยในสันดานพ่อแม่กับครูสิไรถ้ามึงเป็นนู้คนที่เรียนไม่เก่งแล้วลอกแต่จำนวนน้อมึงจะสับเสนิมไม่ทำรักมึงจะอกขาเข้าพ่อแม่และครูมึงทั้งหมดแื่งขึ้นมาที่ไหนครับมึงไอตัวนี้เล่นกีฬาเก่งครูพละครูไรชื่นชมมึงมากเพราะมึงไงมิสเอราด่าไม่เก่งนี่ลายอย่างหนึ่งเพราะว่อยู่มาวันหนึ่งมึงเชืนพ่อเก่งเองว่ามึงหยีกีตาเก่ง แล้วมันก็อยากจะเป็นนักกีตาครูกับพ่อแม่ว่าไงเรีจนกีตามันก็เต้นกินนกินที่ม้องมเสียเซไหมมึงองหาออไไม่ได้เลยมึงจะรอม่ไหร่กนเรียนอบถูกไหมการเรียนมึงก็จบตามมึก็นั่งน้อยอกน้อยใจแม่งครูไม่เก่งเหมือนพี่ครูวนี้เข้านักกีลาวันนี้เข้าเรียนน้อสเก่งล้วควายตัวแรกเรียนเก่งชิ้นแรเป็นแพทย์เฮ้ยไอออนเหนื่อยหาชีวิตมึงอ่ะ น้นากีฬาเดนสารสกเป็ออหมาตัวหนึ่งส่วนมึงแทนที่จะคาเป็นนักกีตาอันดับหนึ่งเป็นไดโซแลเจเก็บเงินได้กับพวกึงสองคนเฮ้ยนักวักทนรีมึงได้สึงกว่าใช่ไหมแต่ปบากว่ามึงถูกดับควาหวังไงบ้างมึงเรียนช่างกนแล้วจะเรียนได้เก่งด้วยถ้ามึงไม่ได้กอบช่างใจเรียนถือว่าเนี่ยชีวิตลำชดของชายไทยจบด้วยการเลี้ยงลูกปี่ยาวาจาการใช้คาพูดเสริมแรงทุ้นติ้ยยง ทำมันไม่เต็เนี่ยห น, นังสือเี้ยงอของคนไทยแม่ไมอ่านคนไทยแม่ไม่อ่านวิธีเลี้ยงลูกแม่กร ม, มถมีกรรมลมนีมม้กรรมวิถกรรมแต่พอเ้องไก่เม่อ่านตราเลี้ยงไก่เว้ยนะพอเล่นพระเ่ชูรรมารื่นพระว้พอเลงลูแม่วยฝาย เ, เ, เลี้งกไ <c oughs> น เ, ไเ็นยังไ่ะายอะะไรยังชิบหายหมดเลยาอ่านห น, น, น, นังสือเลีงลูอ่อ น, น, น ใครเก็งสุนงการเลโง่ไ <vale> อ okay. <c ười> ้โง่คนนี้มไย่างน้มันตัดัหาของมึงจริงหมดเลยมีเรื่องทไมมึงเอามันมาเลี้งแล้วแตท้องมามึงไม่ตั้งใจเลยว่านี้ต้องขีดขีดปัค้านะเก็บไอ้นั้นไว้เดี๋ยวพวกมึงด่ากูขัดปัญหาทิ้งใช่ป่ะมีเรื่องเาต้องทไมครับต้อง่าน่านหอชนิกาตุ้งสินดาไปอ่านว่า การเล่นง so ูแบบต่างๆมึงนั่งดูนี่การเ่นงูจิตวิทยาเขาไม่เอทําไม่มาไม่เอาเพราะไอ้สันดาลนี่มันไม่อ่านน้ต่อเนมันถืาเป็นช่างที่เข้าใจมัมันหนีอการอ่านสุดชีพแอบหนีส่วนพี่สาวมันก็ไี่พี่สาวนะแม่งเรียนจบวิศวรรมทางวิทยาศาสตร์ไปบ้านี้ก็สมาชิกคนอ่านเห็นชาติแม่งก็ไม่เคยปฏิบัติก็งูเป็นยานแม่งอ่านจนจบวิศวกรรได้อะ แล้วแม่งก็อ่านแล้วแม่งก็อแล้วแม่งขยันแม่งหน้าจดหนังสือขยันทำโปรเจกต์ได้เอใช้เสน่ห์เล็กน้อยในเองรมกนรหน้าต้นซือกูซีในระยะระยะี่มิ้เดยกันแม่งเที่ไหนได้ไมแม่งเปิดนมเปิดตาให้กันนะกูเริ่มมีหน้าอะไรเลยแล้วแม่งจะอกว่าเป็นรัตเตอร์หญิงคนนเกณฑเอ็นถือว่าแม่งก็ไปสมัครงานพบว่าไม่มีที่ไหนทำแ่งยิ้มไปอยู่มากตัด ที่ว่าสภาพชีวิตแม่กอ่านมีเงี้ยแล้วก็อ่านอ่านอ่านทงรานทลงแม่ก็สอบเสร็จที่้ายอ่านด้วั้งิโปรเจกต์ไม่ออกแต่แต่งงานนี้นม่ดีกว่าเฮ้ยอ่ะคุณเคยเจอไ่มทีนี้เนี่ยชีวิตลัมพ์เพชรอะก็ท้ายแม่ก็ชื่อวิยาศาสของแม่มาอยู่มาวันนึงคนสอนเรื่องศาสนาก็เลยทาไมครับไม่จริงอย่างไม่จริงอย่าวิทยาศาสตร์เลยคุณยังไปิสสุกวิาเลย มัมีเกณฑ์ปัญญาเอกมันเชื่อไหมมันเรียนต่อมันมีความสุขกับการเรียนแต่มันไม่เคยมีความสุขกับการสร้างอินโนเวชันมันยังไม่แฮปปี้ที่จะสร้างอินโนเวชันมันแฮปปี้ที่จะต่อสู้ออกชนะปิญญานั่เองเห็ครับใครอยากวิธีคิดยังง่แร่กหัวไหมแต่สุดท้ายนั้นไม่เป็นไรนะมันจะเป็นหาอะไรก็ช่างนะอดีตเพิ่งผานไปยัง เริ่มของมึงใหม่วันนี้เลยโปเจต์จะพัฒนาเป็นยู่วเป็นคนใหม่เล้วเป็นคนใหม่ตามหลักของออนออฟไอตัวโตวรพัฒแม่งตายหาไปแล้วเนี่ยคนใหม่ไงแล้วเห็นยังแล้ววรพัฒคนที่นั่งตรงนี้แม่งตายหาไปแล้วเนี่ยยูคนใหม่ใหม่แล้วเน็นยังเนี่ยออนออฟอ่ะโซล่คนเยไอคนที่แม่งสอนหาอนไรื่องเมื่อกีายไปแล้วนี่จะตายไปแล้วนี่มาใหม่อีกแล้วแล้วถวกมึงก็มาใหม่อคุณนาวะเนี่ย จริงๆริ่างงี้เหรเอาแมนเลยวะนี่ยน้มึงไม่ตัวไทยเลยในอย่างม่งออนออฟตลอดเมียผมแม่ทำรูปกรูปเลยเป็้พวกบุญด่าเมียไปหาผู้สฉยเยูบอกอย่าตกใจผู้หญิงคนที่ทำรูปตกตายไปแล้วมึงว่คนใหม่มาคยกันดีกว่าว่ารูปใหม่คนนี้ทำยังไงก็ได้ ไอคนนี้ตายกูมาตายไปแล้วแล้วเนี่ยแม่เกิดใหม่จงมีใจที่แม่เกิดใหม่เถิดเข้าใจปะจบไมตอนทะเลอะไรกัีอะไรไม่มีแม่งแเรื่องทากูเองเลยไม่มีเรื่องทกับมมไม่มีกึงพูหงเลยมึสว่านมึอย่างเดียวจ้ากึงาด้เดงวเลยต่างเดียวเลยมิสนยใช่ยังเมื่อก่อนอาจารย์พีชเนี่ยอาจารย์ตั้งคำถามในประหลายประหลาดเนี่ยผู้คารวะพุทธกระชื้อกูคาวัดมาหลายรอบแล้วไม่ใช่ บแบบพระท่านบางองค์ก็ไม่ค่อยอธิบายนะงองค์ก็ไม่ค่อยอธิบายยิ่งวัดใหญ่ๆเนี่ยคนมาที่วัดเยอะๆเนี่ยคุณไม่มาปัจจันใช่ไหมคุณจันได้แบบหลวงพ่อท่านก็ไม่ว่าอธิบายคุณ네คุณนะ่ยเนี่ยคุก็มาเจอกูทชู ถ, ถอดรหัสความรู้ขอให้แล้วเฮยโอเคสุดยอดเลยจะเล่าให้ฟังอะจอดไปนะ โดยสถิติแล้วผู้หญิงมันรู้สดาบานมากกว่าผู้ชาย 3.75 เท่าสบายใจยังโดวยวิธีการจิตดูจิ ต, นตบบเนี่ยใช้ ม, มหาสติฐา น, นสี่สอันนั้นมันเป็นผ้าห่มเหลืองคนเออเป็นคนห่มผ้าเหลือง จริงๆความเป็นผ้าเนี่ยมันวัดกันที่การตัดสั่งยน์ที่ใจใ่ไหมก็คือจํานวนของศูนย์ตรงนี้มันเยอะมากคุณเรื่อยๆผู้หญิงเนี่ยพอมาฝึกมหาคือฐานสี่มันมีการบ้านให้ทดสอบจิตเยอะกว่าผู้ชายนี่เรื่องนผู้หญิงมันต้องเจอเรื่องอะไรบ้างมันถูกตังแกมาตั้งแต่เล็กใช่ไหมแอบขาียก็สั่งโดนผูกแล้ก้มหน้าก็ต้องติดนมถูกว่าไปแรกไปไหนมาก็โดนด่าว่าแล้ไปค้างบ้านเพื่อนก็โดนตามนั้น ความอดทนอดกั้นเนี่ยมันจะเยอะกว่าผู้ชายมันจะอดท น, นในหลายๆเรื่องที่ทําไม่ได้ทําไม่ได้ตรงนี้กับการเป็นการฝึกขันติบา ร, รมีในอดทนบา ร, รมีให้ผู้หญิงมาตลอดเลยใช่ไหมครัพอมามีขัวมีลูกไอ้ขัวอย่างพวกเราแม่ควเรเอาเปรียบเาใช่ไหมล่อเสร็จหลับนอนดุบวีให้ดันดานรูวว้ปะเขาแม่กันเหนื่อยที่หายท้องให้มึงก้าเดือนปวดเจ็บเนี่ยเขาถ่ายถอยมาพวกมึงก็ไม่เลี้ยงลูกอีกใครเลี้ยงหัวนอนก็ถูกดกุนยาวเป็นดู้เลยใช่ปะ คุณหมองก็มาตามอีกใช่ไหมผมว่าเรียนลูกทางานก็ทําไม่ได้โทตรทรมานเลยนะผู้หญิงไม่ได้ได้รับการฝึกมาให้อดทนนะ่ะความเสียสละอะไรตรงนี้ความเป็นแม่ตอนสุดท้ายไปไกลมาเนี่ ย, ยนนถ้าเป็นนะถ้าเอาความเมตนา เ, นเกิดตัรลูกลูกความเมตนาที่เกิดจากหัวทุกที่เกิดจากเพื่อนถูงทำมาเนยนะเอามาเปลี่ยนนี่ปิดเป็นโอกาสไว้บูจิตตัวเองโอ้โหถาโซดาเป็นผู้หญิงอื้อเลยตอนนะี้ย อือสะาสแต่ถ้าอยู่รูปของคาราว่าแต้ออ่อว่าการเขอไม่แล้วอยากใไม่ีเป็นส่กอบใีไม่้นสหรับผู้ชายกราบใดที่คุณเป็นผู้เป็นคนนะมีกายเลืาานาจิตทำคุณเข้านิพพานได้หมดตบก็เข้าได้ ผู้หญิงก็เข้าได้ผู้ชายาครับมันเก่งแต่ว่าเป็นหญิงเป็นชายอาจารย์แยกไม่ออกเลยใครหญิงใครใ ช, าชายตอนนี้พวกมึงมองวนไปหมด<ส><ญ>นะเพราะว่าผมไม่ได้มองพวกคุณที่ที่หน้ากันเนื้อผมมองพวกคุณที่งวงก็มๆขาวๆอย่างเทวดาเมื่เชานอาจารย์ดูว่าของใครแม่งเริ่มใสเริ่มสว่างดูคล้ายๆกับที่เขาเรดูฉับพลังสีนะการดูความนิงม่งของดวงจิตพวกคุณมากกว่ามันมือบ้าเลอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกคุณตอนนี้ยังอวิชาแม่งเติมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวันก็ค่อยแฉออกให้เย็นๆมันก็ค่อยๆเจ๊งหรอก อ่งหารเรี so, <Robin> ้การที so, ่เราเียเียต้องสใจ่ามาต้องมาก่อนต่างต้งมาเกษรบนี้ในับัเนี่้อมีการื่าที่เข้าใจในนไม่ารทเื่ออะไรก็ไม่าสว่าคนรธรรมใช่ป่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปเจอพระอูขึ้นข่านได้โสดาขึ้นเนี่ย คุณเจอพรที่เขาแค่ตั้งใจบวชเขาตั้งใจบวชแกก็มีกิเลสตัวหนึ่งก็คือโลภสอนตัวเองยังไม่เสร็จจิตของตนเองเพราะว่าตัวเองยังไม่บรรลุธรรมไปเจอไหมตัวเองยังไม่สโสดาชุ้นเลยแตอ่านหนังสือธรรมะมาเยอะกว่าไปเที่ยงมือรูปียามไปสอนคนทั้งวัดก็สอนแล้วใคไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคนไม่มาหนีกหมดหนึ่งนะสองสมมติโสดาบันแล้วก็จริงไหม แต่ไม่เคยเรียนวิชาชายเซ็นเตอร์แล off. ้วเรียนมิ่งอ๋อผมว่าก็จะ <c oughs> ถ่ายทอดได้ไงมันด้ถ่ายทอดไม่เป็นผมว่าจะถามว่าท่านเอาตัวรอดไปได้ไหมทัานเข้าวิพานไปแล้วต่อมาสามมันเป็นบุญเป็นบุญกรรมกันนะี่ยเป็นบุญกรรมกันมากกว่าอพราะพคุณถ้าบุญสูงพอเดี๋ยวคุก็จะเจอพระกูบ า, าอาจารย์ที่จะพูดตรงจริตของพวกคุณและคุณก็จะชอบถระไม่พูดบาลีเลยก็มี แต่พูดบาลีก็ไมได้เหมือน formal ไ ม, อมบ่บรรลุใช่ไหมฮะคือหลักการมันเป็นอย่างนี้การบรรลุทําขั้นสูงเนี่ยมันอุปมาเหมือนขึ้นยอดเขามันมีหงทางขึ้นเยอะแยะถ้าคุณเคยขึ้นคุณก็เลยนะผ่านทางซ้าแหกหลังแฝดอยู่มาวันหนึ่งคุณจะไปสอนคนอื่นไหมว่าให้ขึ้นทางอีกทางหนึง่งให้คุณนทางเขาลงจากคาภัยนกแอ่นนกบ่าคุณก็ไม่กล้าสอนคุณก็ต้องสอนเหมือนเดิมเจ้าเมื่อหลวงปองนี้ ได้มาด้วยการฟังบาลีของคุณบาอาจารย์ท่านมาได้ด้วยการนั่งแบบนี้ทำแบบมี้ท่านมาแนวนี้มาแนวกายดูกายใช้หลักของอะไรขท่านก็แล้วแต่นะแล้วท่านก็บรรลุทำได้แล้วท่านจะไม่สอนแนวอื่นเพราะเวลาลูกศิษย์มีปัญหามันแก้โจทย์ให้ไม่ได้อย่างผมไม่นะคุณแม่ขงผมผมสอนคุณแนวจิตดูจิตนะเป็นแนวจิตตามอุปัสนาผมจะสอนหลวงครูดูหลวงพ่อชาหลวงครูดูใช่ไหม แล้วคุณมาแนวของคุณดูนที่สุรินหรือคุณมาแนวของพ่อชาอะเงี้ยผมแก้ไห้คุณไปถึงสเต็ปไหนเลเวลไหนเนี่ยาผมผ่านโจบนี้มาเยอะแล้วใช่ปะผมจะแก้ให้แต่พอคุณมานั่งแบบภาวนาภาวนาฟั่งฝังฝังม้าตายอย่างนู้นปูหนุยผมว่าอ๋อจะได้ไปถามฝั่งนู้นูหนุยอ่ะใชผมไปไม่ได้หรือคุณมานั่งมองลูกแก้วอะไรเงี้ยโอ้โคุณไม่ถนัดแล้วับหรือคุณเดินจงกรมอย่คุณแม่สลีสุรินชัยผมก็ไม่ไม่คุ้นเคย ถ้าแนวหลวกูดูโอเคเลยคุณเล่าตาค์กางเป็นฉากๆเลยใช่ไหมต้องทำยังไงกูดูที่สุรินเนี่ยเคยไปไหมเนี้ยก็ ค, คนแนวกันเเขาไ่สอนหลวงั่้นเหมือนกันแหละนะแต่้องต่างที่ะ้ัดคระขึ้นเป็นทีสึงขึ้นได้เลยอีสลาม์ขึ้นไม่เกี่ยวเลยว่ะวันนี้ทานใครนะมันเจอซูรีหรือเปล่าเจอเจอโค้ชดีทุกอย่าง้วจบถ้าเจอโค้ชดีเนี่ยมันก็สอนดีด้วยใช่ไเหมือนเหมือนพรดอนน่ใช่ เจอโค้ดเจ๋งวันนี้แน่นว่านี้ขึ้นที่หนึ่งได้นันอยู่ที่ทาบุญเยอะๆจะได้เจอโค้ดหรือเปล่าจระยองมันก็ลำบากผมก็เคยถามหลวงปู่หลงพ่อแล้วไปยองกระชินเลยจับปลาเยอะนี่คนประมงเยอะเพราะฉะนั้นชาวประมงระยองเนี่ยเวลาตายไปแม่งลายเป็นปลาอยู่ในทะเลและปลาแม่งก็มาเกิดใหม่เป็นคนระยองแล้วมันจะจับเป็นไตจับเันมาแม่งผักจะอยู่บนบกอยู่บน้้ำอยู่ทสองฝั่งเนี่ยนั้น นันโอกาสที่ไหนจะได้เหมืนทางใต้อะทางใต้เกจิอาจารย์หนึ่งไม่ค่อยมีเนาะมีน้อย น, นานๆจะมีหลวงปู่หลวงปู่แดงหลวงตาเนีย น, นั้งทีเนี่ยมันนานทีเพราะว่าคนทางใต้ทำทำมันทํามากินประเทศฆ่าสัตว์เยอะมันสลับมันเป็นปลาสลับมันเป็นคนอะไรเงี้ยมันมันน้อยแต่ทางอีสานเนี่ยมันมันมันเป็นแดนพุทธภูมิพระเจ้าหล้านไร่องเนี่ยโงมาตัดสลูที่อีสานนั่นกันเลยถอยในหลายๆพระเจ้าเนี่ยเราเป็นแดนของพุทธภูมินั่นความสับปายา อะไรมากมายมันจะเป็นเร็วกว่าส่วนทางใต้เมื่อก่อนเป็นทะเลรอยตัดผ่านตั้งแต่กระบี่ยันทีนเน่เป็นสุราษเนี่ยเป็นร่องของทะเลเมืองเมืองสาเนี่ยอยู่ริมทะเลเมืองชา ย, ยาเขาเป็นเมืองริมทะเลเส้นเหมือนหางเฉียงนี้เลยนะเสียงเป็นแนวทะเลทางใต้มันค่อนข้างเต็มไปด้วยทะเลอะไรเงี้ยมันยังมันเป็นยุคใหม่อะ่ะส่วนตรงนั้นมันยังไม่พัฒนาเท่าไหร่ มีรื่อะไรว่าบอลเขาางใต้ก่อนเยอะมาตัวอีสานไม่มีเลยตานินักการเมืองชั่วพาคนวนั้นดีคนชั่วจริงเยอะถ้าคนดีเนี่ยนักการเมืองไม่ใช่ชั่วเล่ธรรมดาปรับจานอ๋อบยาเพราะว่าหนึ่งผมยังไม่อาลหัน เอา่ะาวหือผมยังไม่อราหนังนะแต่แต่ในความเห็นผมนะต้องต้องการถามมาแค่นีละไม่ด้อธิบายเรื่องนี้ ด, ดีีดนะนี่คือจิตนะี่คือความคิดซึ่งออกมาทางปากใช่ก็แลแต่นะครับของหลวงตามหาบัวเคสันเป็นแบบนี้มันเป็นกรณีพิเศษเป็นสเปเชียลเคสซึ่งในในขัน้นใรอุดโศกเคยพูดถึงไว้จิตของท่านตรงนี้ว่าง ส่วนตรงเนี้พวกเราก็เหมือนกันนะตรงนี้จิตบ้างนะตรงนี้พูดอะไรก็ได้กูมุนทาเลื่องเนี้ยไม่เป็นไรเลยเพราะมันคนลชุดกันจิตจิตกับตรงนี้ขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิงแล้วเอาสติมาเป็นตัวฝังอนนั้หลวงตามหาบัวหรือหลวงพ่อคูณท่านจะพูดท่านจะทําอะไรนะสำหรับนักปฏิบัติด้วยกันเนี่ยพอเขาเช็คสภาวะจิตกันแล้วเนี่ยไม่เกี่ยว ร้อยยีสิบเจ็ดสำหรับท่านไม่มีแล้วท่านถือสินข้อเดียวชื่อสินของผ้า น, นิยาขอคนเรียกกันว่าเป็นอธิศินแล้วันนี้ถ้าพูดกันสนุ ก, น, กนะหลวงตามาหามัวนั่นกินเหล้ายัางไม่ว่าท่านเละเพราะว่ากายท่านกินแต่ไม่ได้จิตท่านไม่ได้กินเหมือนพระอาจารย์จี้โกงอาจารย์จี้โกงนะกายเมาแต่จิตไม่เมาแต่พวกเราเนี่ยจิตจิตกับความคิดตอนนี้มันผสมกันเป็นสังขยาเลย ท่าอกายเมาจิตแม่งเมาจิตเมากายเมานัอันนี้ท่านแยกไปละการเป็นมนุษย์ต่างดาวไปแล้คือพระญยกบุงคลเป็นมนุษย์ต่างดาวหมดนะไม่สามารถเอาปัญญาของมนุษย์ไปตัดสินรงนี้ได้เลยอันตรายวิธีวิธีเช็คมันมีหลายวิธีนะแต่หลวงตามหาบัวผมค่อนข้างกาลังตีเกินครึ่งก็ใช่แต่พระไารปิดกมีผู้ถึงพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่ออรหันถอยที่ัยท่านจะพูดจาพูดจาแบบ ด่าแม่คนตลอดเนี่ยใครเจอแล้วอย่างเงี้ยเขาจะยั่งจะพูดด่าตลอดว่าตลอดเลยก็มีคนไปถามพุทเจ้าว่าเอ๊ะทําไมสาวกของท่านพูดจ้าไม่สีภาพเลยถอยไปตลอดเลยนะพูดมึงๆึงพคือพ่อมึงแม่มงหาอะไรพูดตั้งวันเลยพูทธเจ้าสอนว่าไม่ใช่คนไน้ชุดแทนอยู่ที่ไหนครับอาจารอธิบายให้ฟังกลับกันในระหว่างคนที่ปากสุภาพ เด็ จ, จิตใจ่อยอะไรน่ากลัวกวา่าใจถอยในปากหวานเพื่อนในวันมันเขาก็มีในพรใจมีโดดมีเรื่องทุกเคสตรงเนี้ยพอมาพิจามาเข้าใจเรื่องจิตสติความคิดแล้วเหลือวพลานแยกออกหนะมดคนละชุดกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวและอย่างนึ่งเป็นวาสนาของหลวงตามหาบัวเนี่ยเนื่องจากชาติเป็นขอนท่านมีความเป็นครูสูงมันก็จะ อ, อดไม่ได้แต่วิธีฟังก็คือโมโห อ, มอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีอาการ จะไม่ตามาน้ทตามเช็ดตลอดจะไม่ไม่มอาคาดเพราะไม่อ า, า้คาดก็โอเคเดาออกว่าท่านประมาณตัดสองโยกท้ายๆได้แนะล้วอันโยกมีสิบตัวนะอัดสามตัวแรกเป็นพระโสดาบันตัดห้าตัวแรกเป็นพระนาคามมกัดได้ครบสิบท่านอาหารวิธีสองโยกนะครับวท่านตัดสองโยกตลอดอันนี้ท่านเอเบิร์ฟผม่าผมตัดนใจไม่ได้เนะพราะเป็นอาหา ร, รแล้วสูงสุดกือสืตร ส, ส, สามมันเมื่อที่ทำตัวเหมนคนธรรมดาเพี้ยเลย อัน p r e d i a b l e นะต้องคุยกันนะต้องคุยสัานงหนึ่งจะรู้อัจฉรส่วนใหญ่ถ้าถ้าเลเวลสูงกว่าสมมติสมมติคุณสูงกว่าผมนะสมมติคุณเ็นมอาหารสูงกว่าผมใช่คุยกันด้วยปั๊บืเนี่ยคนนี้จะสอนผมเลยแลวจะสอนในสิ่งที่ผมยังทาไม่ได้เน่ผมก็จะรู้แล้วเลเวลสูงกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าเลเวลต่ากว่าผมนยสมมตินะเป็นผ้าโสดามาเนี้ย คุผมสูงกว่าผมคุยด้วยป้าผมรู้เลยว่าจะจิตตรงนี้ผมสอนให้ผมแก้ให้ผมสอบอารมณ์ให้แล้วผมก็แก้แก้แก้แตับเขาให้อัพอัพเลเองจากโสดา ข, ขึ้นมาอีกเลเวลมันมันจะคุยกันได้ผมการบวคเป็นเคสตลาดมากทันาผมว่าเพื่อความปลอดภัยยังไงของนี้ยเสร็จ